ก็คือคล้ายๆอย่างงี้นะถ้าสังเกตดูนะอมีลูกที่พ่อแม่เนี่ยรักมากนะปกติเนี่ยพ่อแม่ตามใจมากเสร็จแล้วพ่อแม่ตายจากนะเหลืออะไรพี่เป็นต้นดูแลเนี่ยนะพี่เนี่ดุจังเลยพี่ดุทีก็คิดถึงพ่อทีพี่ดุทีก็คิดถึงพ่อที ก็ในห้องเรามีอยู่คนหนึ่งไปอยู <nein> <zu Boden S 2> ่บ้านคนอื่นใช่ไหมพ่อแม่นี้ใจดีใจดีพอไปอยู่บ้านคนอื่นเขาก็ว่าให้ทุกวันก็เลยร้องให้ทุกวันคิดถึงพ่อแม่ก็พวกนี้ก็เป็นอะไรตอนคิดถึงพ่อแม่ก็วิปประโยคประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็สัมประโยชน์ก็วิปเนี่ยแปลว่าวิปแปลว่าปราดเนี่ยนะปราศจากสัมประโยคก็ประกอบประกอบหรือประจวบก็ได้ เพื่อราคาจริตนี่เป็นอย่างงี้นะถ้าจะต้องจากอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโอ๊ยเราห้อยหาอยู่นั่นแหละพวกนี้เป็นลักษณะของราคาจริตถ้าเป็นพวกโทสะจริตพวกนี้เนะยวิปโยคสุขเนี่ยนะโอ้ยจากแม่มันโล่งทิง้งสบายมากเลยนะมีความสุขมากเขาบอกว่าจากเธอนี่แหละเพิ่งเจอความสุขวันนี้แหละวางั้น แต่พวกราคะจริตนะบอกว่าถ้าจากเรานะเดี๋ยวจะทุกข์เขาว่างั้นนะแต่ถ้าเป็นพวกสัมปโยกอ่าถ้าโทสะจริตนะก็บอกว่าโอ้โหสัมปโยกเมื่อไหรก่ก็สัมปโยกข้าบอกอู้ทุกข์จริงๆนั่นไงก็ดูสังเกตดูนะว่าเราเป็นปกติอยู่แบบไหนเนืองๆก็สังเกตจากไม่หงก็ถ้าของถ้าของสวยเราก็วิปโยกกันถ้าของไม่สวย สัมภโยค่เงรหรือเปล่าคำว่าคือของดีของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเอาอะไรมาก็ได้เชนเนะนเมม่นเอานะแหวนเอาเงี้ยสมมุติาแหวนทองแหวนหนึ่งถ้าพื้นฐานปกติราคาเจริญเลยนะโอยเาถ้าเขาถายนะหรือหาไม่เจอเขาทุกข์มากเขาเขาทุกข์จริงๆถ้าปู่ได้ใช้ได้ประดับเขามีความสุขเต็มที่เลยใช่ไหมล้วพวกโทรษาเจริจนะเฮ้ยเนี่ย ถ้าถอดเก็บนะมันดีที่สุดเนี่ยนะเพราะตอนใส่เนี่ยมันโทรสะสูงสู ง, สงต่ำ ต, ำตำ่เดี๋ยวคนจะมาลักเดี๋ยวจะมาขโมยเดี๋ยวจะมาจี้อนะมันเดือดร้อนตลอดนะนะกลัวมันหายนะพวกนี้จะพาถ้าถอดเก็บใส่ลิ้นชักไว้ดีเยี่ยมเลยนะบอกโอโล่งใจสักทีพอเอามาดูเอามาใส่เมื่อไหร่ก็เดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะคือคือประกาศถึงถึงจริตก็ใครจริตไหนก็ว่าไปตามนั้นแต่ทั้งคู่นะทั้งคู่ก็ทุกข์เหมือนกัน เพราะว่าพวกราคาจริตนะที่จะได้สัมปโยค่าทุกข์จริงๆไม่มากพวกโทสะจริตเนี่ยจะได้วิปโยคสุกก็หายากมันก็เลยทุกข์กันทั้งคู่จะจริตไหนอยู่ในโลกก็ทุกข์หมดแนะแต่ถ้าเอาเอาคำว่าความทุกข์มามาวัดอย่างนี้ก็ได้นะถ้ามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น ก็มีมาจากสองอย่างเนี่ยวิปโยกกับสัมะโยกเยนะก็ถ้าถ้าไล่มาแล้วนะสมมติว่านึกไม่สบายใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเอ๊ะไม่หนุกเลยวันนี้ไล่ไปเหอะไม่สัมะโยกกับวิปโยกเลยนะเนี่ยนะพวกโมหะเจร็ญมันไม่ค่อยทุกข์หรอกเพราะว่ามันโง่อยู่แล้วเนี่ยนะ คือพวกโมหจริตนะมันอะไรมันมันมันฟุ้งเกินไปที่จะให้เขาไปรับผิดชอบอะไรเนี่ยนะคือพวกนี้มันมันอยู่โลกของเขาเนี่ยไม่เห็นมันมันเดือดร้อนอะไรแต่ถ้าพวกวิตกจริตเนี่ยพวกวิตกจริตเนี่ยใช่แต่ถ้าพวกโมหะจริญนะโดยรวมๆแล้วมันพวกนี้มันก็มันก็อยู่ไปวันๆหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากมาย อ๋ออันนั้นจะใช่แต่ว่าพูดถึงเพราะคนราคาเจริตอุเบขาก็มีคนโทสะจริศพื้นฐานจริงๆเขาอยู่แบบอุเบขาก็มีแต่ว่าพวกวิวตกจริตเนี่ยใช่แต่ถ้าพวกโมหะจริตโดยมากก็พวกนี้ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรสักอย่างถ้าโง่ซะอย่างเดิมมันก็อยู่ได้หมดแหละคือเรื่องโมหหจริสนี่นะฮะผมสังเกตดูนะฮะว่าสัตว์สัตว์ในฉานนี่นะฮะมันส่วนส่วนข้างข้างหลังขาหลังมันตายไปแล้วนี่นะ เป็นอมาพาสแล้วก็ลากด้วยขาหน้าไปนี่นะท่านเชื่อไหมครับว่ามันไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเท่าไหร่นะครับแปลกไหมครับถ้าทุกขากาญวิญญาณไม่เกิดนะมันจะไม่เดือดร้อนอะมันจะไม่เดือดร้อนเราจะสังเกตเห็นว่าหมามันดีใจมากถ้ามันเห็นหมาตัวเมียมานี่นะ <c oughs> ทั้งๆที่มันอย่างนั้นมันยังลากไอ้ตัวมันเนี่ยเขาไปแย่งกับพิการเครื่องตัวเนี่ยเนะขาก็ไปแย่งกับตัวอื่นด้วยนี่นะเ อ, อเราเห็นว่าไอสัตว์ทั้งหลายนี่นะะ ความโง่ความไม่อาวิชาของมันมากมากเนี่ยนะมันไม่ค่อยรู้สึ ก, กถ้ามันรู้สึกเราแย่เลยครับถ้าใครดูพวกมดมันเดินเนี่ยนะมันจะรู้แค่ข้างหน้ามันเท่านั้นแหละเนี่ยมันมีแค่จกักรวิญญาณเนี่ยหลบหลบิลบ่งนิ่ ง, ง, งมันอยู่เท่านั้นจริงๆถ้ามันอิ่มแล้วมันก็เลิกโขวนขวาละผมเคยเห็นหมาเหมาอหมาเหารอา ก, กันกันกักันที่ ิอลและก็อีกอย่างหนึ่งนะความทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือปรารถนาพวกปรารถนาเนี่ยปรารถนาเพื่ออะไรปรารถนาเพื่อให้สัมปโยกหรือปรารถนาเพื่อให้วิปโยก แต่ถ้ามันสลับกันเมื่อไหร่พวกนี้ทุกข์อีกเช่นว่าถ้าได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบใจเลยใช่ไหมปรารถนาพ้นพ้นพ้ น, พนสักทีหนึง่งนี่ก็ตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นเช่นขอให้หายโรคพวกนี้ตั้งความปรารถนาใช่พอพอความทุกข์เกิดขึ้นตามมาด้วยความ ปราถนาปราถนาถ้าเป็นสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็ปรารถนาให้มันพ้นซะถ้าสิ่งนั้นเป็นสุขก็ปรารถนาเพื่อให้เพื่อให้พบปราถนาให้พ้นกับให้พบเนี่ยแล้วโดยมากก็ตรงกันข้ามอีกก็กลับมาที่ทุกข์พอทุกข์อีกก็มาตั้งความปรารถนาอีกก็เลยวนๆอยู่อย่างนี้เป็น เป็นการวิจัยเรื่องเรื่องเรื่องของชีวิตเนี่ยมีมีอย่างเดียวมีวิชาเดียวนะในโลกเนี่ยครับผมยังไม่เห็นมีใครเขามาวิเคราะห์มากขนาดนี้เลยครับโอ้ละเอียดมากเลยนะไม่มีไม่มีวิชาไหนหรือว่าที่ไหนที่มาทำปริญญาแบบนี้ปนใหญ่ก็ทาเป็นด้านๆ<ม>ไปนะ<ม>แต่ของเราก็พยายามที่จะพิจารณาให้มันรอบด้านเนยนะเพราะคำว่ า, า, าปริญญาก็แปลว่า รู้รอบอยู่แล้วรู้รอบจนจนรู้ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นแหละจนกว่าเรียกว่าอะไรถ้าใครสาธยายพระสูตรที่บอกว่าว่าด้วยสิ่งขันห้าอายตนะไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยนะคือพิจารณาจนรอบแล้วเพื่อที่จะได้สลัดออกซะเนี่ยนะเพราะว่าพื้นฐานคนที่ไม่ยอมสลัดออกนะถึงเขามีความทุกข์อยู่เขาก็ไม่สลัดออกง่ายๆ่าใช่ไหม เพราะคนที่มีความทุกข์ก็หวังความสุขอยู่ร่ำไปคนที่มีแต่ความสุขก็อยากจะรักษาสุขอันนี้ให้ยาวนานแต่ว่าสุขทุกขเหล่านั้นก็มีมีต้นเหตุมาจากขันท่าราะถ้าพ้นจากขันท่าถือว่าเป็นเป็นสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะคือคือสุขที่โดยที่ปราศจากขันท่าขันท่านี่มารามิสโตใช่เป็นอมิตรของพญามารนะแต่ถ้าพ้นจากขันท่า ก็พ้นจากเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเหยื่ออีกต่อไปเนี่ยนะท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้นะครับท่านท่านคงไม่ทราบว่าท่านโชคดีมากนะครับท่านได้มีโอกาสได้รู้เรื่องของการทําปริญญานี่นะฮะท่านท่านรู้ท่านจะท่านจะไม่รู้เลยว่าผู้ที่ไม่เคยมาฟังนี่นะฮะถึงแม้แต่ อ่านอ่านตำราหรือว่าอ่านหนังสือที่ที่เราออกไปนี่นะฮะแม้แต่ไปอ่านหนังสือนั้นนะก็ไม่เข้าใจคำว่าเรื่องปริญญา ท, ทั้งที่อธิบายในหนังสือนั้นนะฮะอย่างเมื่อเช้ า, ชานี้ผมได้รับโทรศัพท์จากจากเนี่ยคนรู้จักคนหนึงนี่นะฮะเขาก็สนใจธรรมะนี่น ะ, ะเขาก็ได้รับหนังสือไปนะ่ยก็บอกว่าเออผู้ ก, การแม้หนังสือเล่ม น, นี้ดีมากนะอริยบทนี่นะครับ กายานุปัสนาสติปัฏฐานียบบทบ พ, พานี่โอ้ดีมากครับเออผู้การแล้วตอนทีเออ่เราอยู่ในห้องน้ำน่ะแล้วก็มันมีถ้าดินปากดมีมีแข็งปากฏอ่ะแล้วเราแล้วเราต้องพิจารณาด้วยไหมนี่นะเราพอผมฟังวัาบผมรู้เลยครับผมรู้เลยว่าเขายังไม่เข้าใจคำว่า ในอิรยาบดภัณฑ์นั่นนะเป็นการทําปริญญาในวาโยธาตหรือว่ า, ากิตชวาโยธาตเขาไม่รู้เลยครับว่าจเจริญยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอความชินที่เขาผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกเออเออไ อ, อนั่นน่ะเป็นวาโยธ า, ธาธจริงนะแต่เวลานี้ปัทวีธาตมันปรากฏนะ่ะต้องพิจาณายังไงพิจรณาอย่างเดิมใช่ไหมพูดอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเพราะเขาไม่เข้าใจคำว่ า, าปริญญาจริงครับ เขาก็เออมันเมื่อปรากฏแข็งก็เออนั่นแหละให้พิจารณาอย่างงั้นนะมันยากมันร่างยากนั่นเขาไม่เข้าใจคําว่าปริญญานะ เ, นเขาว่าเออนี่เอรียาบทพระบัชพระใช่ไหมเออถ้างั้นหันก็รู้ว่าหันเนี่ยแกวงแขนไปมาเนี่ยฟอกไม้ฟ อ, อกบูนอยู่ในห้องน้ําเนี่ยเออนั่นนะเอรียาบทเออนั่ถ้าหากว่ามันแข็งปรากฏด้วยนะ จับทาบูมันแข็งนะเออนั่นก็พิจารณาธา้าดินด้วยน ะ, อ, ะอย่างเดิมเลยครับก็เลยมันก็เป็นอย่างนี้เลยก็เมื่อวันก่อนก็คุยกันอยู่ดึกมากเลยเรื่องนี้ <c oughs> ก็คือการพิจารณาอิริยาบถเนี่ยนะพิจารณาอิริยาบถเนี่ย คือคือโดยทั่วทวไปเนี่ยนะวิปัสสนามันคืออารมณ์ปัจจุบันไนงะไม่รู้กฎเกณนี้ใครตั้งรู้อันนะถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่มันก็มีคําหนึ่งเอวะแหมล็อกเหมือนมัสมีองแปดเลยบอกอริยมัสมีองแปดเท่านั้นเออเนี่ยใช่แต่ว่าพอวิปัสนาบอกอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้น ทีนี้มันก็เลยพอพื้นฐานไอความเข้าใจลึกๆมันเป็นอย่างนี้เข้าก็ก็เลยจะเอามาวิเคราะห์อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือทิฏฐิทิฏฐิเขาเป็นอย่างนี้แปลว่าความเห็นเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็มามาคุยเรื่องอิรยาบด์ว่าถ้าถามว่านั่งกำหนดว่ายังไง อ, อ่ากำหนดอิรยาบทนั่งเนี่ยนะกำหนดว่ายังไงก็ที่มาของ ส, สารพัด เอ่ครอะไรแนวทางต่างๆก็จะเข้ามานั่นะแนวทางว่าเอ่ยเน อ, นอ ย, งงยืนเดินนั่งนอนก็เสนอกันมาว่าทำยังไงกับยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเพราะเงื่อนไขวันนี้ยังไงลึกๆก็ต้องปัจจุบันไม่รู้จะเหตุผลใดก็ตามชั้นปัจจุบันอย่างเดียว นั่นนะเพราะนันก็เลยมาเออเนี่ยกำหนดตอนยืนก็กําหนดว่ายืนอาจาจะจะอะไรก็ช่างเถอะจะจะรูปแบบแบบไหนก็ตามจะ ก, กําหนดยืนเมื่อยืนกําหนดเดินเมื่อเดินกําหนดนั่งเมื่อนั่งกําหนดนอนเมือ่อนอนเขาก็จะมีอยู่หลักการจริงๆก็มีอยู่เท่านี้อันนี้คือรวมๆแล้วเป็นอย่างนี้นี่ไงนี่เมื่อเป็นอย่างนี้เข้า อย่างในอิรยาบทบัพพาที่เราเรียนเนี่ยนะคือการกำหนดอะไรกาหนดอะไรเรื่องจริงๆเขาคือกำหนดรู ป, ปรขันรู ป, ปรขันเป็นอะไรสัจจะนะทุกขสัจจะกิดอะไร ก, กิดสมดลรู้ปริญญากิดเนี่ยนะแล้วทุกขสัจเนี่ยมีกี่การก็าการอาดีตอนาคต นจ้างเรนสอนนไงจะทวงเขียนยังไงนะเขียนอย่างนี้เมื่อกี้อนาคตแล้วก็ปัจจุบันนี่พูดถึงว่ารูปประคันเป็นทุกขสัตว์กิจของเขาคือปริญญากิจ เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทีนี้คำารู ป, ปรขันคืออะไรก็คือรูปประกายนั่นแหละก็เราเราท่านท่า น, ท, นทั้งหลายที่เนียยาวานาคืบกว้างสอกนี่เมื่อเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะนิยามของทุกขสัต์คืออะไรอ่า น, นะโดยหลักการก่อนนะทุกขสัตย์ก็เนื่องจากสิ่งนี้เป็นไตกับชาติชรามรณะเนี่ยนะธรรมดาของเขาเนี่ยเป็น เป็นสิ่งที่มีชาติชรามรณนะและเป็นอะไรอีกที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตวัตถุประสงค์ของการรู้ทุกขศัพท์เนี่ยต้องการอะไรก็ทุกขานิโรธใช่ไหมต้องการแทงตลอดทุกขนิโรธที่จะบรรลุทุกขนิโรธเนี่ยก็ต้องเบื่อหน่ายใ น, ย น, ยนยทุกขศัพท์ถ้าเบื่อหน่ายในทุกขศัพท์จะบรรลุทุก ข, ขานิโรธอันนี้คือหลักการเข้าเป็นอย่างนี้ ซึ่งหลักการอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องรู้ไว้ก่อนเรียกอะไรนะกติกาเบื้องต้นนี้เมื่อกติกาเบื้องต้นเนี่ยนะทีนี้การพิจารณาก็ประกอบไปด้วยอดีตอนาคตปัจจุบัน น, นะตอนเกิดมาเนี่ยอยู่ในคันอยู่สภาพแบบไหนอยู่อิรยาบดใจในคันส่วนมากก็บอกว่านั่งนะอยู่ในคันโดยมากนั่ง ว่ายน้ำบ้างครั้งคราวแต่ก็รวมๆก็คือนั่งพออันนี้พอตอนอยู่ในคันแล้วก็คลอดออกมาแล้วล่ะหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะก็นอนซะส่วนใหญ่พอพอโตขึ้นกันนั้นอีกก็เริ่มนั่งเป็นแกงกันนั้นอีกก็ยืนเป็นอ่ะนะตอนนั้นก็เริ่มเดินเป็นเดินานานๆก็เริ่มวิ่งเป็น แต่ที่เหลือก็สลับกันอยู่อย่างนี้ไปไปจนไหนจนกลับมานั่งตามเดิมในที่สุดนั่งใช่ไหมโดยมากนะชักยืน เ, เริ่มพอยืนได้เดินไม่ได้แนละ้วยืนก็มานั่งในที่สุดก็นอนก็สลายอย่านีก็อิรยาบทที่เกิดมามันก็เป็นไปอยู่อย่างนี้ใช่ไหม ทีนี้ตอนหลักๆถามว่าไอตอนที่นั่งอยู่โดยมากเนี่ยท่าทางต่างๆที่อยู่ในที่ต่างๆมีอะไรเป็นสมุดฐานเนี่ยนะก็จิตชาวายโยธาฉันการเปลี่ยนแปลงในอิริยาบถก็เกิดจากจิตชาวายโยธาเป็นหลักนี้จิตชาวายโยธาเนี่ยนะเช่นถ้าอาหารไม่พอเป็นยังไงเดินเป็นยังไงนั่งเป็นยังไงนอนเป็นยังไง อดข้าวมาเจ็วันเลยนะนอนจะขแมวนอนยังไงนะนอนแบบคนอดอาหารนอนแบบคนโทสะหรืออะไก็ได้นอนแบบร้อนอากาศร้อนนี่จะนอนแบบไหนอะไรเป็นยังไงเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องไปหมดแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนแปลงให้ยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเนี่ยมีจิตชาวาโยธาตจิตชาวายโยธาตประเภทไหนคือลมที่พัดทั่วสารพางกายเนี่ยนะ การพิจารณาทำยังไงที่จะให้บรรลุทุกขานิโรธเพราะฉะนั้นถ้าเออถ้าเดินแล้วก็จ่อเฉพาะตอนเดินยืนแล้วก็จ่อเฉพาะตอนยืนเนี่ยพอไหมที่จะพ้นทุกข์มันก็ไม่พอเนี่ยนะมันก็เลยเนี่ยมันก็เวลาเราอธิบายเรื่องนี้อยู่เขาก็โยงไปหาไอ้ของเก่าอันนี้คือพอมาตอนหลังเอชั ก, กับวิปสัมปโยคะทุกข์แล้ววิปโยคเป็นสุข อยู่เงียบๆสบายใจดีเหมือนกันดังนัท่นที่เรียนอยู่ในห้องนี้ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะครับผู้อื่นเนี่ยนะฮะถ้ามาันมาฟังอธิบายอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะโยกเข้าไปหาของเก่าหมดนะครับอย่างมาช้าผมนึกผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับเมื่อไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าไอ้มันเรื่องปีญญานะพูดไม่ได้ก็ไม่มีทางเข้าใจเลยอ๋อมาลัง แต่พอพูดถึงเหตุผลเขาก็คืนนั้นเขาก็รับได้เลยคือคงจะต้องใช้เวลานี่ยหละนานหน่อยเหมือนกันเอะนะถ้าให้อ่านหนังสือเขาอ่านหนังสือไปจบเล่มแล้วเนี่ยเขาก็ยังโยกไปหาหอของเก่าได้เลยครับก็จกเจริญกรรมมกตาต่อไป <laughs> เลยนะเขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็ที่นี้เราจึงที่ที่อย่างที่ห้องเราเรียนเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วเรามีอะไรเป็นสารณะที่มาคุยเรื่องสารณะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยนะคุยอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระสงฆ์ทั้งหลายท่านปฏิบัติอะไรกันเพื่อที่ที่เราจะได้มีสารณะที่มั่นคงจะได้เข้าใจเหตุผลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยศาสตร์และอริยศาสตร์พระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างไรเป็นต้นเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจชัดเจนถ้าไม่อย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับ น, นี้เพราะฉะนั้นก็คนโน้นก็ไม่ผิดอันนี้ก็ใช้ได้อันนั้นก็ถูกต้อง เธออันนี้แหละที่ถ้าเป็นโลกส่วนตัวนี่ถือว่าโอ้โหมันเป็นภาระมากเลยนะที่จะต้องอะไรที่จะต้องที่จะต้องไปนั่งคุยกับไออะไรที่มันอะไรก็ได้เนี่ยนะมันเหนื่อยเรามากๆเลยมันอะไรนะมันเบียดเบียนเรามากๆเลยคือสงสารเขาอะนะซึ่งเราไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าบุคคลที่แนะนําให้เขาทําอย่างนั้นเนี่ยเขาถวายชีวิตให้แล้ว อันนะ้สารณะเขาก็ไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าเป็นใครก็ไม่รู้พระธรรมยังไงก็ไม่รู้รู้แต่จะบรรลุอย่างเดียวเนี่ยนะรู้แต่จะบรรลุอย่างบรรลุอะไรก็ยังไม่รู้นะเนี่ยนะแต่ว่าถ้ามีคนให้ยานมาแล้วด้วยโอ้ดีใจใหญ่ว่าผ่านเมื่อกี้ยานกี่นั่นกี่นี่มาก็ดีใจใหญ่นั่นะใช่นั่นแหละก็ผ่านมาไม่รู้กี่ระดับต่อกี่ระดับได้ตําแหน่งโอ้พ่วงมา แต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครก็ไม่ค่อยรู้ น, นี่แหละที่เรียกว่ามายุคนี้นะงมากเลยมากบอกว่านึกไม่ออกว่าศาสน า, า, าจะเจริญคืนได้ยังไงเมื่อวานเนี่ยที่คุณธรินีเอาหนังสือพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีที่พิมพ์เมื่อสมัยรัชกาลที่ห้าก่อนที่จะครองราชครบยี่สิบห้าปีคือคือเขาจะพิมพ์ให้ทันฉลองครองครบรอบยี่ปีเนี่ยนะ คำนำของหนังสือก็คือพูดปรารว่าเนื่องจากไม่มีคำสอนเนี่ยนะแต่ละคนก็ได้อาศัยแนวทางจากครูอาจารย์ทั้งหลายทีนี้ก็ยึดเอาครูอาจารย์เป็นแบบเป็นแผ น, นการพิมพ์พระไตรปิฎกออกมาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยหลักการจริงๆเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนะแต่ทีนี้ก็อย่างว่าดังนั้นพิมพ์เป็นภาษาบาลีนะพิมพ์ฉบับนั้นเป็นฉบับภาษาบาลีเพราะว่าเมื่อ ร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะไม่มีการยังไม่มีการแปลจริงๆเนี่ยนะก็เริ่มแต่ว่าเริ่มมีผลงานการแปลไว้บ้างพอเป็นแนวทางเข้าโครงไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการแปลจริงๆพระไตรปิฎกในสมัยนั้นเนี่ยนะเพราะในสมัยนั้นเนี่ยการปฏิบัติหนักกว่าสมัยนี้เยอะ น, ยนะนะแต่สมัยนี้ขนาดมีหลักวิชาการก็อิงไอไ อ, ไอสมัยที่ไม่เคยมีคําสอนเอาไว้ตลอด อิงการปฏิบัติแบบยุคสมัยที่ไม่มีหลักวิชาการอะไรเข้ามาเลยทีนี้ของเราเนี่ยก็เรียนในลักษณะศึกษาคัมภีร์ที่มันเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี้ถ้าจะต้องเอาหลักคัมภีร์เนี่ยไปอธิบายกับข้อปฏิบัติที่เสนอขึ้นเนี่ยนะแนวทางเลือกสมัยนั้นที่ตาบอดด้วยกันซะส่วนใหญ่เนี่ยเนี่ยเดินอย่างนี้นะถืออย่างงี้เนี่ยก็นะับว่ายากเนี่ยนะ แล้วก็ค่อนข้างเรียกว่านึกไม่ออกว่าจะจ ะ, จะแก้ไขได้ยังไงถ้าเรามาพูดอย่างอย่างหลักวิชาแบบนี้เนี่ยนะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยทาสัทธรรมปฏิรูปอีกเพราะว่าไปบิดเบือนกับไอไอของเก่าที่เขาสอนเขาก็ว่าเราเนี่ยเป็นปลากริราว่าเออเนี่ยมันเรียนมากมันก็นี่แหละมันก็ยังนี่แหละเนี่ยนะก็เมื่อไม่นานนี้ก็ได้รับตําแหน่งกระพิรามาอีกตําแหน่งหนึ่งนะก็เนี่ยเรื่องกระพิราเรื่องลาบสการะวนๆอยู่แถวๆถนี้แหละ ก็คือเนี่ยว่าโอ้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นของง่ายๆเลยว่าที่จะแนะนําคนอื่นเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ของง่ายเพราะว่าบุคคลที่เขาเคารพคืเขา้เขาไปเรียนไปฟังเนี่ยเขาถวายหัวให้แล้วบางคนเนี่ยทุ่มเทไปไปมากเหลือเกินเนี่ยถ้าไปพูดว่าเขาผิดเขาจะรับได้ยังไงโอ้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะิ่งถ้าถ้าคนที่ทุ่มเทมากๆเนี่ยจะเราจะจะเห็นชัด แต่ถ้าใครยังไม่ทุ่มเทอะไรเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าก็ไม่ได้ไปเคร่งคัดถือหลักเกณฑ์หลักการอะไรแต่ถ้าถึงขนาดว่าโอ้โหทุ่มทุนมหาศาลเนี่ยพวกนี้ค่อนข้างค่อนข้างยากจริงๆทีนี้ก็อย่างว่านะก็ได้แต่เจริญกรรมสกตาแหละว่าเราก็มาด้วยกรรมของเรานะเราก็จะไปด้วยกรรมของเราละอย่างนั้นเพราะว่ารู้ไม่ธรรมดานะสมมุติถ้าเขาให้ตําแหน่งเรามาแล้วเราจะไปพูดอะไรกับเขาได้ใช่ไหม พระเทวทัตมาเกิดอย่างเงี้ยพระพูดอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปคุยอะไรเอานะเรามันว่าที่พระเทวทัตจะไปคุยกับเขาว่าอย่างไรอ๋อยากเหมือนกันนะก็นี่แหละสัตว์ทั้งหลายอันนั้นนะชอบคาถารรมบทนะพระผู้มีประภาคตรัสไว้ว่าประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ตนเป็นอย่างยิ่งว่างนะั <c> ้น <oughs> ก็เลยชอบคาถาธรรมบทเนี่ยอ่านมนาะหลายปีมาแล้วแต่ว่าจําได้ประโยคน์นี้ประโยคเดียวบอกว่าประโยชน์คนเออแค่ว่ า, ป ร, า, วาประโยชน์คนอื่นนะจึงจะมีมากขนาดไหนก็ไม่ช่วยอะไรเราเลย อันประโยชน์ของเราแม้แต่นิดหน่อยก็ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเรานะรายได้ผู้อื่นจะมีเป็นมากขนาดไหนก็รายได้เท่าไหร่ของเรานั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้ใช้ได้สอยจริงๆเพราะฉะนั้นเราจริงๆทำอะไรศึกษาอะไรเนี่ยตรงนี้แหละที่จะต้องมาฟินิชชัยตรายตรองให้ดีๆอย่าลืมว่าประยัติธรรมเป็นสารณะของเราณนะตอนนี้ทีนี้พอเราพูดอย่างนี้อีกก็ปฏิเสธอีกเราก็เลยไม่รู้จะว่ายัางไง สามมันเนยีเนยนะก็โอ้ดีเรียนที่นะดีนะดีนะโหเรียนปริญญาตรมเรียนพระไทยปิฎกนะโอ้พระอาจารย์โอแตกฉานนะคาตอบ่ากันดู้ไหมและปฏิบัตรริหรือเปล่านะองค์นั้นนะ่ะไม่ได้ปฏิบัติมั่งยังไงก็คือไอ้คำว่า <c oughs> <c oughs> ปฏิบัติเนี่ยนะเราก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนให้คะแนนเนี่ยนะเราก็อยากจะถามจริงๆนะ เอาเครื่องมืออะไรมาให้คะแนนว่าเออเนี่ยนะแกได้เนะนี่ได้บนะนี่ซนะนี่ดีนะเออนี่แกต้องไปซ่อมนะยังไงนะใครใครเป็นคนให้คะแนนเนี่ยนะเพราะทุกคนเนี่ยนะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ากันทั้งคู่นั่นแหละทั้งเขาทั้งเราอะนะว่าตรงๆเลยนะก็ทุกคนก็ไม่เคยมีเออเนี่ยมามาในโลกเนี่ยมีตามีหูเห็นเห็นเหมือนกันเนี่ยเอาอะไรเป็นกฎเกณฑ์หลักการที่แน่นอนเนี่ยนะที่เรียกว่า เราเชื่อได้ว่าเอ้เนี่ยนะนำเราพ้นทุกข์ได้คือประเด็นตรงนี้ที่ที่ของ ม, มาสนใจเนี่ยนะเพราะว่าโดยจริงๆแล้วก็ไปนั่งปฏิบัติมามาเกือบเป็นสิบสายมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่พูดสายไหนมานะขอ ม, มาโดยมากฟังออกอแม้แต่กระทั่งคำสร้อยคําห้อยท้ายนะจะรู้เลยนี่มาจากค่ายนี้นี่มาจากค่าย น, น, าาายนี้ส่วนใหญ่จะฟังออกแต่ทีนี้ว่าทั้งหมดเนี่ยเราเชื่อปฐัยปิฎกอย่างเดียว เพราะฉะนั้นก็คิดดูนะว่าก็เลยปฏิญาณมานานแล้วว่าจะขอค้นคว้าอีกสิบปีเนี่ยนะนี่ก็ตั้งหมายแล้วอีกสิบปีนั้นถ้าสิบปีแล้วยังไงเนี่ยนะศึกษาแล้วพระไตรปิฎกมันทําไมมันใช้ไม่ได้มันขัดกันเองไปหมดดันงนี้จะเลิกและจะไปเชื่อคนที่เขาชีน้นาว่าพระไตรปิฎกผิดคือฟังอกันแล้วเนี่ยทําให้รู้สึกสลดใจว่าพูดทํานองว่าปริญญาไม่สําคัญเท่าปฏิบัตินะ<ม>ถ้าหมอให้ลึกๆนะ เขาจะมีความมุ่งหมายอย่างนั้นปฏิบัติเท่านั้นเข้ามาก็ถามยอมท่านหนึ่งก็บอกว่าระหว่างปริยัติกับปฏิบัติอะไรเป็นธรรมมังสารนังขะฉามิเนี่ยนะอะไรเป็นธรรมมังสารนังขะฉามิปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยนะมีไม่ว่าองค์ธรรมของคําว่าธรรมมังสารนังขะฉามิคือปฏิบัติอยู่ด้วยไม่มีเพราะคําว่าธรรมมังสารนังขะฉามิได้แก่มัด นิพพานปริยัติเนี่ยนะเท่านั้นเพราะปฏิบัติเอาอะไรเป็นเครื่องแน่นอนน่นะคือปฏิบัติก็ปฏิบัติไปแต่ปริยัติเป็นเครื่องชี้นํเนี่ยนะเป็นเครื่องกำหนดเพราะว่าถ้าปฏิบัติถ้าไม่เป็นไปตามแนวปริยัติก็ก็ไม่น่าชมอะไรเนี่ยนะก็ก็ไม่น่าชื่นชมอะไรถึงได้เนวะสัญญาณาสัญญายตนะก็ตามถ้าไม่เป็นไปตามแนวคาสอน แต่ถ้าไม่คิดจะเอาคําสอนไม่เชื่อปริยัติแล้วอนะก็คือเขาก็อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือเขาก็เป็นพระปัจเจกพรพุทธเจ้าเพราะคนที่ไม่ต้องพึ่งปริยัติมีอยู่สองท่านเท่านั้นนั้นถ้าใครบอกว่าเออเนี่ยไม่ต้องเอาปริยัติแล้วก็เขาก็บอกว่าเขานี่ไม่ใช่สาวกแล้วเนีย่ยนะของของมาเชื่อในความเป็นสาวกก่อนลนะชาตินี่นะไงก็ขอศึกษาตามนะแต่อย่าลืมว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจริงๆเจริญกรร ม, มสศกตาเอาไว้ให้เถอะถึงเราจะเข้าใจอะไรมากก็ไม่ใช่จะแนะนําอะไรใครได้สักเท่าไรหรอกเนี่ยนะคุยกันน้องที่ยังคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยเนี่ยนะก็เลยไม่ค่อยคิดอะไรมากแล้วกลัวป่วยแล้วตอนนี้ต้องสำนักนี้เป็นเสโซดาบานยกสำนักเลยอืมใช่เป็นพระนาคามีแต่ว่าร้องให้บ่อยจะว่าไงอ่ะ เป็นอนาคา ม, มียแต่ว่าขี้แงจังเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อยู่แล้ว น, นะสมควรแก่เวลานะ